เปลี่ยนตัวเพปิดทำตกท่านใอ้ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรแอ้ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์อะไรถือเป็นครูอาจารย์ก็ของพอ่อย์ของปู่ของเราก็เดียดเพราะว่าเป็นผู้ที่ให้สาเนิจในการสอนการเจริญสติปัฏฐานแบบการเคลื่อนไหว ในยุคนี้สมัยนี้แต่ตัวผมเองที่รรมาศึกษาเรื่องของศาสนาก็มาเห็นแล้วก็เปียนเเป็นผู้ที่สอนเรืนน่องนี้ก็ทำให้ทุกชีวิตกันใหม่ๆขึ้นมาทำให้ชีวิตติดใจเปลี่ยนแปลงไปได้จริงๆการการพูดกันในวันนี้ก็ให้ถือว่าเป็นพูดในฉันไิด เป็นเพื่อนเพนกญานิสผู้ที่กำลังจะศึกษาร่วมกันไปว่าจริงที่จะพูดนี้ต่อไปก็เป็นเรื่องที่มีอยู่กับตัวเราทุก ๆ, ๆ, ๆูทุกนามเกี่ยวกับการศึกษาการปฏิบัติ <c oughs> ตกะเรทุกคนก็ทำได้สามารถที่จะเลื่แจ้งเห็ น, นจริงสามารถที่จะทำให้จิตใจพ้นภาวะเก่าได้ ความสไดใสลาดได้คำตอบว่าบุญเทอะไรบาปเทอะไรสวรรค์นรกมันเป็นอย่างไรมากผลไน่านเปลี่ยนใดอย่างน้อยเราก็ต้องเข้าใจได้คำตอบให้เพียงพอพอตัวกับการที่พวกเราได้นักถือกับบรรยกาศสณะในเรื่อิงใดก็พยายามจึดตาให้รู้โดยจะพวิธีปฏิบัติธรรมวิชากรรมฐานที่เรา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 สัมผัสกับนรกสับวันมันเป็นยังไงเราจะรู้จักเจ็บหลาบไหมจะรู้จักป้องกันตัวไหมโดยที่คนเด่นไม่ต้องบอกต้องห้ามเป็นการสัมผัดดสโดยตนเองการที่ทําอย่างนี้มันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาการที่ไม่ทําอย่างนี้มันไม่เกิดอย่งนั้นขึ้นมาจนเราได้เห็นอันนี้ตงว่าโอ้พอทําอย่างนี้พอทําอย่างนี้ มันจะมีนี้เพราะไม่ทำอย่างนี้มันจึงไม่มีย่นี้ <c oughs> นี่ก็เป็นคาตอบของเจริญรุ่งเจลิญนามไปตอบให้กันไม่ได้เจอพุทธบริษัทเรามักจะถามอยู่ตลอดเวลาทําอย่างนี้ได้บุญไหมทำอย่างนี้ได้สวรรค์ได้กไกลนิพพานไหมที่จริงส่งนใหญ่นี่ไม่มีคําถาม การถามคนเื่นนั่นยังนัง่น ย, ย, ยังไม่ผูกคนเดินตอบให้ก็ยังท่าไม่ได้ต้องเป็นตัวเองตอบเอาเป็นตัวเองตอบเอาเองคำพันเอาเองอยากจะพูดเลยว่าสมัยทุกวันนี้น่ะมันไม่ใช่สมัยที่เราปึกไปแล้ว เป็นสมัยที่พวกเราจะต้องคลองแคร่วในทุกๆด้านทางจิตจินยานมีนคุณภาพยิ่ง ข, ขึ้นกว่าสมัยก่อนคนทะเลาะกันริวาสกันเสียงกัดท่ามบ้านท่ามเมืองไม่มีเหมือนเมื่อก่อนแต่โจรผู้ร้ายก็อาจจะไม่มีกราวมาพัฒนาชีวิตเราเหมือ น, นกับสวันค์ในการสุบุทัยมันเป็นการลาาสมัยใปเสร็จแล้ว ทุกคนก็ต้องรู้ว่าบุรีมันมีโทษมีอะไรอย่างไรเราไม่รู้คนะเด็นต่อลููกันทั้งหมดเด็กๆก็รู้แล้วเราก็ไม่ควรที่ไปสูบบุรีหรือความโกรธความทุกข์ก็ไม่ใช่สมัยที่เราจะมาโกรธมาทุกข์แล้วทุกวันนี้ถ้าใครยังโกรธยังทุกข์อยู่ก็จะว่ายังล่าสมัยอยู่มีแหล่งที่ทําให้เราศึกษาเยอะๆแต่น้อยก็ต้องวัดโมกงี่แล้ ขอประกาศเลยว่าอีกทาที่อยู่ที่นี่ที่สอ น, นอยู่ที่นี่สอนไม่ให้พกุกสอนไม่ให้โกรธ ส, สอนให้หลงสอนให้มีสติถ้าจะสะรุปแล้วก็คือว่ามัานมีอเลยสองอันนะเรื่องใหญ่ๆของีวิตเราที่ทางอยู่สองเส้นอันหนึ่งมันหลงอันหนึ่งมันลูกพอหลงจนงพกุกพอหลงจงโกรธพอหลงจึน คืตอตกกังวลถ้าในหลงมันก็ไม่โกรธไม่ทุกไม่เจ้ามองวิธ ท, ที่ไม่หลงก็ยังไงอาจจะเลียนสถิติจ้าจ้างให้มีจ้งให้มากคนก็ทํ า, ทาไม่ได้คอทําทไปมันคิดโน่นคิดนี้อย่าเพ่งไปปฏิเสธทุกคนมีจิตทุกข์ ท, ก ท, ก ท, ก ท, กที่จะต้องทําได้อยู่ไม่ยกเว้นใครมีคําสอนอยู่อยมองคนทุกคน ฟังเสียงทุกเสียงให้เป็นเสียงพระสวดมนต์ดูคนทุกคนว่าเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนก็นิพพานที่ตรงนั้นเป็นคําสอนที่น่าฟังนะทุกคนเป็นพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้ามีสองภาษาพระพุทธเจ้าภาษาคนก็คือเจ้าชายเจ้าก้าชายสิทธัตถะ โลกของพระเจ้าสุโธธนะสู่ที่ประเทศบินเดียรตั้งแต่ก่อนเรายังไม่เกิด 2,534 ปีปามาแล้วเราเป็นพระเจ้าองค์นั้นเป็นพระพุทธเจ้าภาษาคนเราไม่สามารถจะอยู่ใกล้ได้เป็นโลกล่างลักษณะงดงามจนทําให้คนรบุตรคนหนึ่งชื่อว่าวัคกันิหลงทะลกของพระองค์ท่านจนได้บวชติดตามเพื่อจะได้อยู่ ดูใกล้ๆพระพุทธเจ้าตจริงพระองค์ก็ปฏิเสธเออไอ้ยพระนุ่มลูกนี่มันจะลงเราไปแล้ ว, ลวเห็นว่าลูกนี้เป็นพระพุทธเจ้าเออเห็นว่ามันจะไล่ประโยช น, น์ไล่หนีไปซะแล้วก็ลื้เสียใจอกหักแต่ไปฆ่าตัวตายพระพุทธเจ้าก็ตามไปปลอบใจว่าพี่พระพุทธเจ้าที่นี่ที่ททลูกที่ล่างนี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าตัวจริง ถ้าอยากเห็นพระพุทเจ้าตัวจริงก็ต้องไปศึกษาปฏิบัติทําให้วัคคิเห็นพระพุทธเจ้าตัวจริงที่คุณธรรมแต่ก่อนวกคคีเห็นแต่ทะลุเหมือนกับพระพุทธรูปพระประธานนี่มือมืเท้าหน้าตาหูคางคอนอะไรแต่ต้วยงามที่สุดเป็นทําให้ท่หนุมหลงโลกพอดีถ้าวัคคีปฏิบัติธรรมในเริ่สติ พระพุทธเจ้าตัวจริงก็คือคุณิชยธรรมที่มีอยู่กับเราทุกคนอันนี้เราเข้าใกล้ได้เราเข้าถึงได้เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังไม่นี้ฝนจะน้อยยังอยู่อยู่พระธรรมก็ยังมีอยู่พระสงฆ์ก็ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่หมายถึงคุณิชยธรรมที่มีอยู่ในม น, นุษย์ทุกคนนี่แหละจะโกกเกียนตัวเองมองตัวเองให้ให้ให้เห็นว่า อยางน้อยต้องมั่นใจว่าเรา ล, ละคนเองจะต้องไม่โง่ไม่พุกจะต้องติกาให้เขา้าใจอในความมั่นใจใจตัวเองบ้างอย่าไปตีพาตีละผ้าตีราคาตัวเองให้ต่ําทําไม่ได้ทําไม่ได้เนมันผิดแล้วให้ถูกทุกคนสามารถที่จะดได้เลยเแต่การวิธีอย่างนี้แนี่ยคือเราทำเนี่ยคืราเป็ิผู้ที มีความรู mm ้สึกมีความลกได้อัจปะยุกต์สันติพูดมาตอนเย็นเมื่อวานไม้ว่าอาจให้สติเป็นผู้นํำมอดส ต, ติให้เป็นใหญ่ทองตัวเรากายและใจระว่าใจกายเท่าไรให้สติเป็นใหญ่ออกความเป็นใหญ่ให้สติสป็มััญญะจ้าจะทาอันไดจะปวดอันใดจะคิดอันใดอาจมีสติสะมัจัญญะลูกก่อน ก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดได้จะอยู่กับบ้านไม่มีเวลาเดินจงกมรมอาจจะยกไปถ้าเราอยู่ที่วัดนี้ก็โชคดีน้อยเวลาเป็นของของเราทั้งหมดจะเดินจงกรมเท่าไรเท่าไรก็ได้จะนั่งจ้างเชื่อนอไว้มีสติเท่าไรก็ได้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราโดยตรงสร้างเอาให้เป็นมหาสติให้มีให้มากมากจริงๆ ลองดูก็ได้หรือถ้าเราสร้างอริบท์ลูกแก่ที่เราสร้างกติเราจะมือวางไว้หัวเขา่าว่าที่มีอมาถึงหัวเข่าที่เก่าตั้งว่าเท่าไหรสามสิบสามสิบสี่ลูกเพียงสองวินาทีลูกตั้งสามสิบสี่ลูกแต่ถ้าเราทําเป็นชั่วโมงหนึ่งก็อาจเป็นพันเป็นหมื่นลูกก็ได้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 มันเป็นกดตายตัวมันเป็นธรรมชาติมันเป็นวิทยาศาสตร์เราคิดเรื่องใดใจเราเนี่ยเหมือกับผ้าติดขาสะอาดไ่ย้อมเปี่ยนใดมันก็ติดอันนัะนจิตใจของเราแต่เดิมก็ปกติอยู่ต่อไปคิดเรื่องอดไเข้ามันก็ติดไปเรื่ยอยๆจนเป็นผลเต็นนิจใจจนเป็นผลป็นนิจเป็นนิจใจอารมณ์ต่างๆอาการต่างๆของกายของใจ ถือว่ามันเป็นดางัางานโตกะ ไ, ได้อย่ถือว่าเป็นตัวเป็นตนตามพูดให้ฟังเมื่อวานนี้ว่าแต่ความคิดก็ดีอารมณ์ก็ดีเรื่องของกายเรื่องของใจอาการของกายอาการของใจก็ดีให้ถือว่าเป็นแขกที่ขึ้นมาเมื่อกี้นี่เองก็เลยมีอยู่ตลอดเวลาเป็นอารมณ์ตัวอารมณ์แทรกมีใจเสียใจก็ตามถือว่าเป็นดางันโตกะ ควรที่เราจะทักท้วงให้เข้าใจให้รู้จักว่าเป็นลักษณะใดเป็นมิตรหรือเป็นอามารอะไรก็ให้รูจ้จักลองลองธรรมจิตญาลองดูมันจะรู้จะเห็นแต่ว่าเราในรูดหลวนมากเกินไปใได้รู้จักย่อยไม่ได้รจักแยกมากจะเอาเป็นตัวเป็นตนไปเลยอางที่พูดในศิลปก่อนนั้นพระก่อนโน่นบางคนอาจจะจได้บางคนอาจจะจําไม่ได้ว่า <c oughs> ปริญญาเราเรียนปริญญาของพระพุทธศาสนาประยชน์สามปริญญาเราได้เรียนปริญญาแบบนี้หลายอย่างยาตัปริญญากาหนดรู้โดยการรียการรู้ยาตัปริญญากำหนดรู้โดยการรู้รู้อะไร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 สิ่งใดที่ปล่อยวางก็ปล่อยวางสิ่งใดที่เลิกที้ละมันก็ย่อมทำได้แต่นี้เราไม่ได้เรียนปัญญาเด็ดเดี่เอาแต่คิดแต่คือไปถูกก็เอาทุกก็เอาโกรธก็เอาโลภก็เอาหลง ก, ก็เอ า, กก เ, อาเอาง่ายที่สุดก็เลยเป็นคนโลภไม่ใช่โลภไปเอาอะไรเอานาทั้โลภปัญหาทำไม่ใช่โลภหาเงินหาทองมากๆไม่ใช่นั้นโลภปัญหาทำเป็นโลภเอาอารมณ์ง่ายเกินไป ไม่มีปริญญาเรามีปริญญามาท่ำได้สักหน่อยเลยด้วยยาจะประิญญากำหนดรู้ด้วยการรู้ว่ามันคืออะไรมันเป็นอาการปกะเกเพราะเหตุปัจจัยหรือเปล่ามันจักจะว่าได้ไหมไปวางเรื่องเข้าไปวันเทาไม่ต้องให้เรื่องมากจนถทงอะไรมากกาย มี่ารแสดงให้ฟังตั้งแต่บารท้ากนก่อนเกิดอยาตะปริญญาติลักษณะปริญญาำกำหนดรูด้วยการเกริดแจ้งว่านีนเป็นรูปเป็นธรรมอย่างไรเป็นสมมติอย่างไรเป็นบัญญัติอย่างไรแยกได้ไหหรือว่าจิตท่องไปเลยถ้าเราไม่เคยเกยิแจ้งเพราะเป็นตัวเป็นตนอยู่แต่พิสตาชิ่งโกดก็เป็นตัวเป็นตน เป็นความโกรธหลอกเราได้ความหลงความดีใจเสียใจก็เป็นตัวเป็นตนเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเ็จหลาดย้ายคนที่ถูกความโกรธเปนหลอกเสียพามามากมายแล้วมันหลอกให้โกรธพันยาสาเน่โกรธหมูโกรธมีโกรธเหื่อนตัวธแค่กระทั่งลูกตัวเล็กๆในรูดเหลียงสาเลยก็โกรธความโกรธทำมันหลอกแล้วก็ไม่ฟังเสยียงใคร ห้ามจะตามอะไรก็ไมาอยู่แล้วตีเอาฆ่าเอาด่าเอา ไ, ไอ้ใครเดี๋ยวมันก็หายไปควอมโกรธทั้งไม่ใช่ตัวเชิดตนก็ก็ไม่เช็บเป็นปหลักนี่ทุกคนก็ยังนีหลวงพ่อที่ดูจิตนี้ก็เคยมีเหมือนกันโกรธให้น้องตีน้องจนตกทนันหนาพอเป็นหายโกรธเกิดความสงสารกันไหมเราเราเสียท่าความกาา เ, า เ, าเกิกด แต่ก่อนไม่รู้มาเพิ่งรู้มาปฏิบัติทําเองเห็นความผิดพลาดเป็นบทเรียนมาตลอดรู้สึกเสียหลักห ล, ลงในกระทั่งไปสู่บุรีเกือบตายไปโลกน้่าสงสารปากแทนที่จะอยู่สบายสบาๆมันก็ไปพลาดบุรีมือมันก็ไม่ได้อย็นนิ่ไปไหนมาไหนต้องต้องอนต้องมีหอบบุรีมีใจมีอะไรเยอะแยะเลย พอมาลูสึกตัวก็โอ้สองสามลูทำตาไหลแต่โง่มาตั้งสามตีตีแต่นี่ไปเราไม่ปกเปนท่านเท่าแล้วหยุดกันทีทีเถอะเดี๋ยวเตียนกันแต่นี่เรียกว่านี่เลยเป็นตีลักษณะจริงอย่างกำหนดลูโดยการแกะแงว่ามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยจริงๆทุกสิ่งทุกอย่าง อย่าไปมองเป็นตัวเป็นตนเป็นรุ่นเป็นก้อนอะไรทั้งหมดนะหัดเรียนกลิ่ยาโดยเยะพาะสติตัวนี้เป็นอุบาการเป็นทิ้ที่พาสกาเป็นผู้ที่จะต้องให้เกิดความยุดติดทำขึ้นมาเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับใจเราเนี้ยกายใจของเราไม่ไม่มีความยุติดทำนะอันที่กายมันรอนในขณะนี้มันอกอ่าใจมันก็ต้องวนไปด้วย ไม่รู้จะแยกให้เกิดความยุติธรรมัวัฒน์นกันไปทั้งหมดตอนร้อนความหนาวกวามหิวไม่มีติลักษณะปริญญาไม่รู้จะแยกลองให้ลองพรมได้จนทังแล้วไม่มีปริญญาสหาหน้าปริญญาละได้หนีไปได้อยู่บางอย่าง ใ่าจำเป็นต้องไปโอบมันก็ได้รุนแรงก็ได้แรง่พิเศเลก็ได้บอตรงตรงก็ได้โยงให้เกี่ยวหลุดได้เ็นได้วางได้ปล่อยได้ไม่ต้องไปเ่อเมื่อนี้ะเราไม่เคยท่องเที่ยวอยู่จิตท่นี้ไปท่องเที่ยอยู่ที่ไหนม้ใจะนั่งีที่เรา เจริญวิชากรรมฐ า, านโดยเฉพาะเจริญปติวัฒฐานีน่อยรับรองว่าจะลูกไปยังไงละ่ะจะรุนเขาน้าไปยังให้จริงๆรเรื่องกาศศาสนาะเรื่องพุทธศาสตานนสนาศาสนะ เ, มมนเะจริญมาเที่ยวอะาสนะเสี่ยมมนเทีอะทีนี้เราก็เป็นอะไรก็นว่าศาสนาเจริญศาสนาเสี่ยมองอกอกน้าตัวไปทำไม เราจะนั้นทุกวันนี้แม่แต่โรคหลวงพ่กเคยพูดให้ชาบ้านฟังตอนเ่าช้าปีปาห้าคือพามาปาไปยวานเราควรที่จะเพิ่มคุณภาพคุณธรรมแลม้วในโรค ก, กันหนึ่งี่โรคเอกแม่แต่ในวิชาการที่จะแก้ที่จะป้องกันถ้าคนไม่มีคุณภาพคุณธรรมันก็เป็นการแก้ทุกข์ายเหตุ หลักของศาสนาขึ้นจากลนที่สุดถ้าใครเข้าถึงหลักพุทธธรรมจริงจังแล้วคุ่งครองนเป็นความรู้ทุครกรงจรเป็นเศรษฐกิจเป็นสังคมเป็นสุขภาพพรานามัยก็ตามมันครกรงจรเราจะไปอาศัยแต่วิชาการมันไม่พอแล้วทุกวันต้องมีคุณภาพตลอต้องมีคุณภาพแต่นี่ คนมีความรู้เยอะแยะเรี่องหมอเรื่องอะไรก็มีเยอะแยะแต่ถ้าไม่มีคุณธรรมก็จะไปไงล่ะการศึกษาหลักพุทธศาสตร์นหน่อยให้เป็นขอให้เป็นวิชาเอกของเราเถอะวิชาเอกของมนุษย์ก็ก็อีพิเศษไงล่ะให้เป็นเรื่องต้นก็ต้องจำเป็นจําเป็นแล้วล่ะเป็นวิชาเอกของเราควรเรียนรู้ แล้วก็มันก็ไม่ยุ่งใน่าไม่ต้องเส้ยเงินเสียทองอะไรงั้นเราเรียนวิชาอื่นเราเรียนวิชาอื่นต้องไปพัดบนานพัดเมืองไปใช้เงินใช้ทองมีกระถานที่มีวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนเยอะแยะที่เงินเป็นหมื่นเป็นแสนยังหามาได้แต่เรียนวิชาพระวศาสตร์นะให้ลําบากถึงขนาดนั้นเลยเพียงแต่เรามีเจตนาที่จะสร้างความรู้สึก ขึ้นมาพยายามประยุกต์กับการใช้ชีวิตประจำวันของเราประยุกยต์ก็คือเติมเติมความรู้สึกลงไปหัดเติมพทค้าเลยก่อนพ่ถ้าจะได้ผ้าื่องามต่อไปจะคล่องแคล่วขนาดเองที่แรกก็อาจจะยากหน่อยขนงการทวนกระแสของความเคยกินเราเกิดมาชีวิตถึงคุณนี่เจียงนี้ได้มันก็เคยกิน ได้มาคนละแบบคนละอย่างบางคนก็มีพรสวรรค์น้อยเย็นเย็นมาแต่กันแดง่ายง่ามาแต่ไหนแต่ไรเยียดเหยียดเย็นเย็นดิกลางวางปล่อยปลกอนไม่ใมาก็อาจจะมีบุญบ้างแต่บางคนไปติดอะไรมาไม่รู้เยอะๆยอะแยะไปหมดถ้าลงพลังไปหมดมีความบุญเหมือนเท้ามัอะไรมาเยอะแยะเกหมดตัมากระยกนาน อาจจะเงินอาจจะลงแรงสักหน่อยตอกแรงสักหน่อยไม่มีอะไรที่เราจะได้มาฟรีร็ ต, ต้องมีการลงทุนลงแรงปฏิบัติบาา้างเป็นกติ้งใช่ไหมว่าจะขอเอากติ้งเอาแม่แต่พิธีกรรมทางศาสนาที่เราทําขึ้นถ้ามาขอสีนหลวงพ่ขขอก็ให้สินแต่ถ้าพิจารณาดูแล้วมันมันไม่ใช่กลับไม่ใช่ผูกขอได้จริงหรือไจิน ของพอ่อก็ให้สินได้จรงก็ถือว่ามันง่นายๆแนถ้าพากันมาขอสินของพอ่อก็เป็นตูวให้สีนถ้าจะพูดให้ถูกก่อนนั่นก็หน่อย่อนที่จะพูดังไหนวงพ่อทะยกจะไปในรื่องบ้าบง <c oughs> นะัง่ขอสินดีๆหลวงพให้สินได้ิรบอนที่พูดแรงไดน้อยนยถ้าจะพูดละไป สมมาท่านสินพระเป็นผู้บอกสินที่ใช่นนอไปสมมาท่านสินหลองอปู้บอกสินเพราะงั้นไงก็เป็นจังสีจังสีเขบอกดีเลแต่ที เ, เิจตนางดเว้นจากการพากาสินจริงๆเขานะเกิดเจตนาอะไะเจตนาหังทิเทวีสีหลังวธานิทุกสีทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเนระเป็นสิน ลองมีเจตนาอยู่ที่บ้านลองดูอยู่กับลูกกับล้านนั่แหละอยู่ลงครัวมีเจตนาเติมเจตนาลงไปที่จะไม่ให้จิตเก้าหมองรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยจะให้ปู่ปู่แตกเจตนาลงไปหินเรจะอยู่ในรงครัวก็ะดาอยู่กับที่หลักที่นอนอยู่กับบ้านกับเรือนั่นแหละมีเจตนาที่จะเติมเจตนาลงไป จ, จะตกแก่งเ แตงเอาเติมเอาอบุญวาสนาติดแต่งเอาวาดเอาเขียนเอาแต่เป็นกนเตอดีสวงามใส่เขียนลงไปแต่จ้องกามีสติจะเติมลงไปแตงเอาเที่เกิดจริงๆคนเนะนี่ยิดโสมนุษย์กติลาโกการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ลากันประโสรจริงๆพัฒนาได้แต่ปดีราคาเราส่ำแทนไป วิธีที่ปฏิบัติทำเ น, นีมันก็อย่าไปถือว่าเป็นเรื่องยุ่งยากแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเกินไปและไม่ยุ่งยากเกินไปถ้าทําให้ถูกก็อาจจะรู้เราก็เอาเรื่องอย่างเช <c oughs> ่นยกตัวอย่างเมื่อวานนี้ยกตัวอย่างพระอะไรจำได้หรือทนเ่อวานนี้พระอะไรอะไรจำได้อะ พอรหั น, คนคต์ว่านเที่ยงคอยยกไปยังใครจะได้ยกเมื่อสิน้นพรยังะยังทีคค่ง่าวัาน ะ, ะย ก, กันได้ถ้นะามหากจปะปาาหากาจับป๋านี่นีังง เ, เป็นอรหันต์ ไม่ดูรเราเรื่องธรรมะกากจัปกปะดูเราเรื่องพระอนุนธรรมะการจักระนี่คุณธรรมทางไหนีน่แน่ทิ่ ส, สนมีความสำเร็จพบเพื่อนอยู่ที่นั่งเนาะไปเจก็พื่นเนาะทำอะไรไ่ได้ที่หลังได้เราในโลกสาธารเาื่อนเนาะถ้าให้พระรองพาจับผู้เดียวมันไม่มไหวเลยข้าวผลจากบริษัทผาจิตกว่าลันต้นเนีที่รองพาวเหว่ยเนี่มันก็บ่ไหวบ่สมดุลเศรษาสตนะถ้ ม, า, มาหมอบกัเจ้าองพยู่ว่า ถ้าวัจ้องค่อยๆทำไหน่อยพ่อยๆจาพ่อนนํ่ไปสอนต้อ น, อนไปสอนหลูกอนหล <c oughs> านไปพระมหาคัจจปะมีจุดเด่นเอกลักษณ์หนึ่งท่ทยาย่ามเมียงหูฟังในธ่ําที่ควรหลูคนได้ยินบอกปาตะกัดบอเวรสองมีสติใส่ในสายบอกท่าย่านกันหลงสาม ขลบพีพ่นปูเถ่าปูปันกลางปูงนมปูเจ้ิงทีบอเป็นคนพ่นผู้ง่วงมีความอ่อนน้อมทอมสนหาคจะปะปฏิบัติทำสีสอนได้เป็นพระรานทำไปได้ได้เ่าเรียนผ่านโน้นหนึ่งถ้านโน่นหนึ่งรู้มากกว่าจนมีเอตักทะในทางพระหุสุ จมธรรมเทศนาของพระเจ้าได้เบิดทุกข์วักทุกขนสอนสถานที่ที่ใดแสดงให้เจ้าพรได้ฟังพานนจำได้เลยแต่ว่ายังบ่ได้เป็นพระอาศิตาบุคคลเป็นในที่สุดผูกมูบังคับพามหากจะปราณนห็นละบังคับปาริตธรรมสังเยนาถ้าปาริจากพานนเรกาก็ได้เพราะพานนนีออ่ันได้มาแต่ปาริทธรมสังเทยนาต้องเป็นพระอาติตาบุคคล หายถึงเจตพลาหันพานอนตาามากระเจาะบังคับพนุนต้องทำความเพียนให้ต้นแขนเชิญนี้เาเนจะทำแตงไตหน้ากลังจะพังก้นเพี้ยนเนี่ยหมรับก็นอนอยากลูอยากเห็นทนายจะทาควาเพียนต้องกาอยากลูที่ก็ยอมมาทําังไอยากลูอยากเห็นน้อยท้อพอวานจนน้อยัมไอการร่างจนสัมจะเต้นนั่งดัน ในมันจะลู้นอนจิกันพานอนจิดกัย อ, ดกอยากรู้อยากเห็นมากมากนะเงินแสนเงิ น, นแสนทองจนบอได้ลับบอได้นาะก็ได้รับบได้นอนเลยในเนาะเราก็ท ม, มาจการนี้เบริรูงได้ถ้ากึงตอนไหนพักความจมาอกันพอดีว่างใจทำร่างตีงตงอ น, อ น, งนอนพริอบทที่หัวบดที่หมอนได้เกิดเปญญย่านย า, ย า, ยานมา ตอนนั่นหมายความว่าไงชื่อใจยังว่างอยู่เศษตื้อๆจิตใจว่างที่มันปอบก็จะกลู้ก่ไม่ยังมาหลวมจิตใจเขดิ้อตัวดีการตาลบคนเพียรจะเพียรจะของหลับตอนที่มันโู่อยู่แหละมันบอดู๋ตอนนั้นก็ไปจำไปจีรักเหตุสบายสบ า, สบาหลูกับบอดเป็นยังบอดหลู่กับบอดเป็นยังยกกะได้มันก็หลุดเรื่อยๆนึกเอาแล้วพ่อแล้วใอ้ทำแต่ง ยาไปเฮ็ดพยันาเรื่อยๆคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ให้มันชัดเจนการทำความเพียรนี่ย่าให้มันเลื่อนล่างไม่ใหแต่ทำน้อยๆแต่ให้มันชัดทำมากๆแต่ว่ามันเลื่อนล่างก็ดีนั้นใช้ดูซิที่เป็นเป็นลักษณะของผู้ฝ่าลบควเพียรควรดีจหาเทคนิคในเรื่องของเทคนิคนี่ ว่ามีสูตรสาเร็จต้องขั้มาเองเราต้องเรียนรู้จาของเราเการตลกคนเพื่อนวิธีใดมันลุตอนใดมันลงมันจบลงันไดจุดตอนจะบนไหนตัวเองต้องรู้เพราะมันทำนั่นมาเกี่ยวกับตัวเราอเอาแก่ได้อาจารย์เขาจริงจริงก็คือการขั้มไป ทำแล้วมันมันหลุดออกมันส้อนเราได้บทเรียนเยอะแยะเราเฝ า, าสังเกตนะเป็นข้อสังเกตพฉะนานการเจอครับตัวเราเนี่ยแล้วพากันศึกษาพระกันตั้งใจพื้นที่เราพระอรหันต์อีกบางลูกให้สร้างอีกคนที่ เ, เป็นผู้ท้าหอนสอนตัวเล่าบานแปดสิบลูกอรหรันต์ที่นี้เอกถักข่ ลองศึกษาแล้วก็ไปยุกใใจชีวิตของบารูยังเชินก็ได้ขอให้เขามีสติบารูยังอาจารย์ขอยยกี่ตองหนึ่ ง, งที่บารูยังเลยชื่อพระเอ่อจิ้นทบันทกมี่ที่ใช้จะเดอนมาหายจิ้นถบันทบบันทบน้องตัอว่าจิ้นถบันทบเอว่าจิ้นบันภก ปีไก่ออกมาปวชปีไกได้าสาเร็จเป็นพระเรียบบุคคลไปนองไก่หลุยไปเรียนหนาโมก็บดัด <c oughs> น, นั้นปีไก่ได้ไล่ศึกศึกก็ไม่เกีิตายคนต้องไก่ไว้ึกจเลยห้องให้เหนื่อยจ้ายชบวกลด้ทาบ เ, าเรื่องนี้เลยเรียกกระทำว่าปีไกไล่ึลกมาจากศึกดังนั้นไล่ึกเพราะเรียนห้าโก็ด้ ก็เลยตัวก <c oughs> ็ตกจินทบรรทกพอเจ้ากับวั่ห้าอกกต้องตัะก็เลยมอบผ่าท้าขาวให้เห็นนิดในนดในก็ฝืมือในแหละกันจินตนาการฟาใจให้จนถ้าบรรทกลูกที่นี่ได้ลูีามบ่อยเห็นไหมการกีฬละกันละแาโจฮะเรนังแาโจฮะเรนังแาโจฮะเรนังลูกพ่ายังส่ไอเรืองภาาต ไม่ที่สุดพาที่ลู่ไปเกิดดัเลยะมาแต่เกิดย่านจนมาทันทีก็วิจัยของเราเพื่อนนะแต่การทีิการุริสุทธ์กได้ยินได้เห็นได้กินได้เล่นได้คินเล่นนั่นก็เลยเจ้าเลยมองเลยเเลยเกี่ยนมาเกิดย่านจะยากะเลียดเพียรก็เปียดเพียรก็ได้ความสำเร็จจะมาโง่โล่งแบบท้ดเกิดปัญญามมองยังเป็นการศึกษาไปทั้ง ขาโงจ่จมูกลิ่นกายใจหลูกลดกินเฉียงหลูกายว่าใจา ย, ยังั้งเล็ดหลกแจงเลยเ่จะลลกผ่านไม่ต้องเรื่อ น, นขอขังศ์ก็เขาที่นอนอยูงง่นีนกันบ่โง่ปั่นกิ่นทะ บ, บันโคลอยากจะ บ, บ่มีใด้จะ ข, ข, ข่าค้นตายนั้นกับตรงคุยมา่นเลยเป็นค้นดีขนาดพ้อแล้วสามาดูได้เล็ดทุกคนอะอันนี้ต้องอ่อไ ต่อมาต mm. <talk> <es> ่อะไรเนาะเป็นโคตรแต่พรเป็นอยู่แต่ว่าคนละมือตัวคนละมือบนพันเทศโกรธจะโกรธโกลนทันยะแต่โยจังโยจังจะล่าเก่าขนานี้แหละบนโกรธ วักฟ้าพัตยาติยูจัง่นกินขี้เยอะมากขี้เเทศดากโปรดคลยุทธ์ในเรื่องเข้ามาจัดกระบวนการสู่กอมามเทพนัดตาลขณัสติกอมามเทพอันุทิปขจฉาโปรดยาชาวกุลุตอยูันเดียวกันทงบริเวณไก่สีปัตนะว่าใก่กันห้างขันร้านชัดเนชองเจ็ดโปรดลูกันแล้วทั้งห้าองค์ เออท่างหายก็เป็นข้อมำคันข้อหนึ่งส้างก ล, ลายเทียนนลทัญญาเนี่ยเอาเทนลทัญญาเนี่ยหลู ก, ก่อนในแหลกเทดกันแหลกแต่ตอมาเทนะินาะทำมาจักกร ะ, ระวัตนาสูตะขึ้นเดือนท้ามาจักก็ขึ้นท้งทั้ทงติตรง ไก่จัดหวยจัดก็ไม่นี่เป็นหนึ่งลูกกลันเพื่อมัจฉมาปฏิปทาเทิดเดิข้างทางจัดเพราะนั้นแต่เราเข้สูตรเทศดเรื่องขันหางลงลูกเรื่องหน้าเลบยงเรี่กยิ่งเยมนทั้งบัดเดียทําลยอันเข้ายกมือก็เป็นการเทศจะของฟังเดยเล็กจีเลกจีว่ากานการเทิดเป็นการแตกแยงเป็นการลู พลังแสดงภาพในจักรพรรดิด um, uh, ีกว่าลองพอเทิดกันอะไรสัมผัสจริงๆก็ไมรเลยซ้ร้องแรงเน่นไปๆยอดเยี่ยมที่สุดการจะเริ่นจะต้อเป็นการเทิดทูยอดเยี่ยมโดดเดืนด้วยเต็นของจริงสาธุใเรเทิดกันไหมนี้